ข้อความในคุตการนิกายสุตานิบาตในมาขค้นคาถาที่สิบห้าพูดถึงพระประเจกับพทธเจ้าทุกพระองค์รู้กันเลยว่าท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีอย่างน้อยสองอสงไขยแสนกลับมาแล้วแต่ไม่ถึงสามอาสงไขยก็คืออยู่ในช่วงระหว่างนี้ เมื่ออินทรีย์แก่กล้าบุญบารมีปัจจัยพร้อมบุญกุศลเหล่านั้นก็แบ่งบานเป็นปัใจจัยให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสำหรับผู้ที่สั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีถึงจะอยู่ในฐานะใดอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อไรอย่างไรเหตุปัจจัยแต่ละอย่างก็กระตุ้นเป็นอุปนิสัยที่สำคัญให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจได้ทั้งหมดอย่างเช่น พถาที่สิบห้าเนี่ยนะกล่าวถึงพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นยังทรงหนุ่มนะนะทรงหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงยังเป็นหนุ่มแน่นพระองค์ก็มีพระประสงค์จับผนวช <c oughs> ก็เลยรับสั่งกับผู้อาหมาทั้งหลายว่าพวกท่านจงรับพระเทวีปกครองราชสมบัติเถิดเราจะบวช น, นะนะก็ช่วยดูแลกันเองกันแลวกันนะคือท่านท่านยังหนุ่มอยู่นะก็มีมเหสีแล้วละ และก็เห็นโทษภัยของวัตตะเบื่อหน่ายเพราะว่าพื้นฐานอัธยาศัยของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระปเจกท่านเหล่านี้สังสมเนกขมมัทยาศัยมามากสังสมอโลพัทยาศัยอโทสัทยาศัยอะโมหัธยาศัยสังสมเนกขมมัธยาศัยวิเวกัทยาศัยและก็นิสรณัธยาศัยอัธยาศัยที่เป็นส่วนแห่งการตรัสรู้ท่านเหล่านั้นสังสมมามาก เมื่อท่านสั่งสมอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ถึงจะอยู่ในฐานะใดท่านก็น้อมไปที่จะออกจากวะตะัตตนนั้นเป็นกษัตริย์หนุ่มที่ปกครองบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ในอำนาจแต่ถึงกระนั้นก็น้อมที่จะออกมากกว่าเพราะอย่างที่กล่าวแล้วว่าคนเหล่านี้ที่จะตรัสรู้อริยสัจเป็นคนที่คิดยาวคิดไกลเนี่ยนะไม่ได้คิดชีวิตแค่ชาติเดียว นะคิดชีวิตหลายๆชาติห ล, ลายร้อยชาติหลายๆพันชาติตลอดจนคิดมองเห็นกระแสแห่งวัฏฏะที่ไม่มีจบมีสิน้นที่เรียกว่ามีแต่ไปกับไปไปแล้วก็ปวัตตะเนี่ยนะสังสารวัฏมลักษณะไปไปไปเดือดไม่มีจบมีสิน้นไม่มีพักมีผ่อนมีแต่ไปเรื่อยๆไปทั้งอะไรอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยจริงๆเราไปอยู่นะทุกเหมือนนั่งเหมือนพักผ่อนแต่จริงๆกําลังไป เพราะชรานำไปไม่ยั่งยืนเนี่นะชารามันจะนําไปถึงไปหลบไปลี้นี้ไปพักอยู่ตรงไหนชาราก็นําไปแล้วก็ในที่สุดก็ต้องโบกมืออำลาแล้วก็แบมืออําลาโลกมาในที่สุดก็แบมืออําลาไปนะมั น, น, นจะกาอะไรแม่นเขาก็เอาออกไปคืนโมูดเนี่ยนะบางแห่งบอกว่าอะไรนะวางเหรียญบาทไว้กับปากเอาเหรียญบาทเหรียญอะไรไว้ตามตัวในที่สุดเขาก็ ก่อนพักเก็เก็บเอาไปซื้อเหล้ากินหมูสเห็นไหมพวกขี้เมายังเอาไปหมดแล้วเหนกันไม่เหลือครับฟังไม่เหลือเป็นของใครโล้มันก็เป็นของโลกนี่แหละคือเนื่องจากท่านมองการไกลมองชีวิตหลายภพชาติมองเห็นว่าชีวิตนี้ถ้ายังหน่มยังแน่นอยู่ก็ยังพอมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังทางร่างกายและจิตใจพานก็พร้อมที่จะนําเอาไปใช้เอาไปพิจารณาอริยสัจได้ เพราะถ้าหากว่าสุขภาพอายุมากแล้วมันล้าไปหมดนะนะก็เหมือนกับพลังแห่งร่างกายไม่รู้หายไปไหนหมดเมื่อก่อนเนี่ยนะข้อมือข้อเท้าเดินเหมือนจะเดินได้ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จากเหน็ดจากเหนื่อยเอาไปเอามานี่ขยับตัวลุกนั่งลุกนอนก็เหนื่อยแล้วเหมืกันนะนะเมื่อก่อนก็บอกอ้ยบ้านเราทาไมน่าจะสูงกว่านีานน้ตอนหลังสร้างชั้นเดียวก็พอแล้วหมงกัน ตอนแรกก็ตอนหลังก็บอกโอ้ยต้องหลายๆชั้นทีขึ้นลงสบายตอนหลังเข้าบอกโอ้ยอยู่ข้างล่างนี่แหละ น, นักเข้าจะพยุงตัวขึ้นไม่ไหวนะสังขารทั้งหลายมันก็หนักนาสาหัสขึ้นไปเรื่อยๆนะี่แหละหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสภาพเลยแหละนนั้ขนาดว่าจะยกตัวขยับเขยือนเคลื่อนไหวไปไหนสักหน่อยหนึ่งก็ยังยากจะกล่าวไปยัยถึงการพิจารณาอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยเก็เหมือนกับว่าการเย็บปักถักร้อยเนี่ยนะ ตาก็พร่าเต็มทีแล้วจะเย็บปักถักร้อยอะไรจรึงอยู่สำหรับผู้ที่อบรมจิตมาเป็นอย่างดีอบรมปัญญามาอย่างมาก น, นะอายุไม่ใช่ปัญหาถ้าสำหรับคนที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีอย่างเช่นสั่งสมราคาโทสมามโมหะเป็นอย่างดีเนี่ยอายุมากไม่ได้ลดลงเลยเพราะสั่งสมจนชำนาญ น, นะอายุมากบางทีโลกก่าเก่าอีกสมัยก่อนก็ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่ก่อน พอเยอะมากๆเข้าเนี่ยโอ๊ยทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเก็บเก็บเก็บไม่รู้เก็บไปทไําไมนะทีเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บซะจนแก้ได้วาขยะเต็มรอบๆตัวไปหมดมองทุกอย่างมีประโยชน์ไปหมดแมลงตอมหึงไปหมดนี้นะทีเพราะน้ราคาที่สั่งสมมามันก็แก่กล้าพูดอะไรก็ได้ที่จะก่อให้เกิดราคานี่ชนานาํานาญมากนีนะแล้วก็สะสมโทรศัมาตลอดชีวิตเนี่ยนะพร้อมที่จะไม่สบายใจได้กับทุกเรื่อง นะลูกออกบ้านก็เดือดร้อนลูกเข้าบ้านก็เดือดร้อนเพราะจะเดือดร้อนในทุกอย่างไปหมดใบไม้ตกใบเดียวก็เดือดร้อนหมดละเพราะว่าสะสมโทสะมานานแล้วก็อวิชาก็ยิ่งแข็งเกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเนี่ยนะบอกว่าไม้แก่ดัดยากเนี่ยนะไม่รู้จะบอก่รู้จะกล่าวกันยังไง <c oughs> สอนไปเถอะันก็พูดดีนะแต่ว่าทงทำตามไม่ได้หรอกมัน ก็ชั้นก็เป็นของชั้นอย่างนี้มาตั้งนมนานแล้วนะกะอนุรักษ์นิยมอีกต่างหามันก็เลยเป็นอย่างนี้เข้าเพราะในพระไตรปิฎกนั้นจึงกล่าวว่าการบวชตอนอายุมากนี่ก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไม่ใช่น้อยพระขนมเน้น้อยจะบอกจะเตือนก็บอกโอ้ยพวกนี้มันรุ่นลูกรุ่นหลานเราทั้งนั้นแหละนะภัยทั้งหลายก็จะตามมาหมดเพราะ อายุมากๆคือสรุปแล้วโดยจะโดยแง่ใดก็ไม่ดีโดยประการทั้งปวงว่า ง, งั้นเถอะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจทั้งร่างกายและจิตใจจิตใจนี่เปราะบางกว่าเดิมเมื่อก่อนถูกเขาตำหนีบ้างก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสพออายุมากหน่อยเขาก็ไม่มองหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเนี่ยนะก็ทุกอย่างก็เดือดร้อนหมดอะ <S <S ่ะท่นต้องฝึกอบรมใจไว้ตั้งแต่ยังพอแข็งแรงยังพอมีสติสัมปชัญญะ สะสมอัธยาศัยที่เป็นอะโลพัธยาศัยอโทสัตยาศัยอะโมหัธยาศัยก็คือสะสมอัธยาศัยแห่งศีลอัธยาศัยแห่งสมถาวิปัสสนาอัธยาศัยที่เป็นสติและปัญญาถ้าอัธยาศัยเหล่านี้มีกําลังเท่าไหร่การที่จะเลอะเลือนหลงลืมก็น้อยลงไปดังั้นการที่จะมาฝึกหัดดัดใจให้เป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมถาวิปัสสนาถ้าจะเริ่มเริ่มตอนไหน เริ่มตอนที่ยังแข็งแรงนี่แหละตอนที่ยังมีสติมีกําลังมีความรู้มีความสามารถยังพอที่จะแยกดีแยกชั่วถ้าผิดนิดผิดหน่อยก็จะกลับตัวทันพร้อมที่จะปรับเนื้อปรับตัวแต่ถ้าตอนอายุมากแล้วเนี่ยนะถ้าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราเกาะถ้าดีไปถ้าดีจริงก็ดีไปเนนะเพราะว่าในนันะก็เรียกว่าเกาะฟางเส้นสุดท้ายก็ยังเป็นฟางทองคำเนี่ยนะที่ยังจีบช่วยเอาไปใช้ต่อๆไปก็เป็นความดี แต่ถ้าหากว่าหยิบผิดล่นนะถ้าหยิบผิดไปหยิบเบ็ดเข้าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนาะไม่รู้จะฉุดไปไหนเพราะฉนผู้ที่ถ้าศึกษาตอนอายุไม่มากนักะ น, นะถ้ารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกยังจะพอกลับลําได้ถ้าเบนเข็มแล้วมันผิดอาวกลับลําได้แต่ถ้าอายุมากแล้วมันก็ยากที่จะกลับลําเพราะว่าเป็นคนที่เบื่อหน่ายในการเริ่มใหม่ๆเพราะคิดว่าตัวเองมาไกลแล้วมาไกลแล้วที่จะบอกว่าเออเนี่ยมันคนละทางแล้วนะนี่มันทางผิด บอกฉันกลับไม่ได้เราฉันมาตั้งนานแล้วว่างั้น น, นะจนมีบางท่านที่ศึกษาธรรมะบางอย่างที่เรียกว่าแทบจะไม่ใช่คําสอนเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วเขามาขนาดนี้แล้วถึงเขาตายเขาก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาเขามาถึงขนาดนี้และอายุมากขนาดนี้แล้วพันก็นั้นถ้าศึกษาตอนอายุมากมันก็ยากที่จะแยกผิดแยกถูก เพราะมันดิ่งไปเลยเนี่ยนะดิ่งไปสัทีเดียวถ้าดิ่งถูกมันก็ไม่มีปัญหาถ้าดิ่งผิดเนี่ยเหมือนกับมันหลับหูหลับตาโดดร่มมาถ้าโดดถูกที่ก็ดีไปถ้าโดดผิดที่ก็อะไรแล้วใครจะช่วยอะไรใครเนี่ยนะเพราะมันไปอีกโลกหนึ่งแล้วทีนี้ก็รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วค่ะนี่ไม่ว่าเกิดมาในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนพอกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถ้าเจอกาญจนาภิริทธผู้ที่แนะนําก็ค้อ ย, ยังช่วหน่อยถ้าไม่เจอก็ สังสรารวัฏก็ยาวไม่มีเบื้องต้นจริงๆเพราะอยู่ตรงกลางตลอดจะดิ้นคลุกคลักนี้ไปตรงไหนก็อยู่แต่ตรงกลางเนั้นก่อนก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นก็ควรที่จะสแสวงหาเนคขมมะให้พบปาเจเจอถ้าเจอเนคขมมะทั้งการบวชเพื่อจะเจริญอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาอบรมทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อที่จ ะ, ะชักนําออกจากวัฏฏทุกข์ทั้งหลาย ก็เลยผู้ที่สั่งสมอัธยาศัยเหล่านี้มาเป็นอย่างดีก็ยังบอกคืนราชสมบัติได้นี่นะบอกคืนราชสมบัติเรียกว่าถ้าเป็นพระราชาหนุ่มก็บอกบอกคืนเมียสาวได้บอกช่วยกันดูแลไปก็แล้วกันฉันไปแล้วนะอํามาศก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชก็ราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาอันพวกข้าพระองค์ไม่สามารถเพื่อจะรักษาได้ พระราชาในประเทศใกล้เคียงทั้งหลายจะมาแย่งชิงเอาราชสมบัติไปขอพระองค์จงทรงรอจนกว่าพระองค์จะมีพระโอรสหนึ่งองค์เกิดก่อนอย่างนี้แล้วก็ทูลให้พระราชายินยอมมีมีลูกสักคนหนึ่งก่อนเธอเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าพระองค์ออกบวชพระองค์ไม่มีบุตรแม้แต่องค์เดียวไม่มีพระราชบุตรเลยพระราชาองค์อื่นก็มาเอาเมห์ีไปก็วงของพระองค์ก็สิ้นสิพระองค์ก็สิ้นวง เพราะฉะนั้นให้มีลูกสักองค์หนึ่งก่อนก็นกยังดีถ้ามีลูกต่อไปลูกก็จะได้ครองราชสมบัติวงของพระองค์ก็ยังเป็นไปก็ทุกคนก็เสนอกันมาเกลี้ย ก, กล่อมพระราชาใจก็เลยอ่อนเข้านตอนแรกก็แข็งโป้เลยนะคนที่หนึ่งสองสามสีมาช่วยกันเกลี้ย ก, กล่อมหนักหนักเข้าก็โอนอ่อนพรนตามก็เลยรับนี่ก็อยู่กันต่อมาจนพระเทวีนี่มีคันพระเทวีมีคันพอท้องบับพระรา พระราชาก็ตรัสสั่งอำมาตย์เหล่านั้นอีกว่าพระเทวีตอนนี้มีคันแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอภิเสกบุตรที่เกิดไว้แล้วในราชาสมบัติปกครองราชาสมบัติก่อนเิอเราจะบวชพอมีท้องนั่นนะเห็นไม่มีลูกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลอดออกมาแล้วแต่งตั้งเลยนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปแล้วมนะพวกอำมาตย์ก็ทูลให้พระราชา ย, ยินยอมมาเอกว่าข้าแต่มหาราช ข้อนั้นเนี่ยมันรู้ได้ยากว่าพระเทวีจะประสูตริพระโอรสหรือพระธิดายังมีข้ออ้างอีกนะอยู่ในครันถ้าสมัยนี้มีเครื่องอุตตรศาวกสวาลแล้วเพราะฉะนั้นกบอกรอให้ประสูติก่อนเหมือนกันรอให้ประสูติก่อนเธอต่อมาพระนางก็ประสูตริพระโอรสครั้งนั้นพระราชาก็สั่งอํามาตย์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นอํามาตย์ก็เลยทูลอ่าทูลให้พระราชายินยอมแม่อีกด้วยเหตุเป็นอันมากว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงรอกว่าพระโอรสมีกําลังแข็งแรงก่รนดูกรสิเนี่ยนะเขาจะไปยังไงเขาจะเจริญเติบโตมีสติมีปัญญาพอจะครองราชสมบัติได้ไหมพระองค์ไม่ห่วงลูกเลยเหรออะไรคุยไปคุยมาอ้าวใจอ่อนอยู่ต่อจากนั้นเมื่อพระกุมารทรงมีพระกําลังแข็งแรงจเจริญเติบโตขึ้นมาพระราชาก็ให้ประชุมอหมาทั้งหลายแล้วก็ตรัสว่า กุมารนี้มีกำลังแข็งแรงแล้วพวกท่านจงอภิเศกกุมารไว้ในราชสมบัติปฏิบัติการเทิดก็ไม่ทรงประทานพระอกพระวโรกาศแก่พวกอมกเพราะฉะนั้นครั้งนี้เติบโตอย่างที่ท่านเคยขอไว้เบ็ดเสร็จหมดไม่ต้องพูดอะไรโดยประการทั้งปวงมางังนเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้นำบริขารนำผ้ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยสีน้าฝาด เป็นต้นมาจากภายในตลาดพระองค์ก็ทรงผนวดภายในเมืองนั่นเองแล้วก็เสด็จออกไปถือบวชตั้งแ่อยู่ในเมืองเลยแหละเหมือนกับพระเจ้ามหาชนกนั่นคือพระมหาชนกนี่ก็บวชอยู่ในเมืองเลยนะบวชอยู่ในพระราชวังเลยบวชเสร็จก็ถือบาตรสะพายบาตรลงลงจากพระราชวัง เพื่อปริชนอําดข้าราชการทั้งปวงก็คร่ำครวญนา น, นประการติดตามพระราชาไปพระราชาก็เสด็จไปจนถึงปลายเขตแดนของพระองค์พอไปถึงปลายเขตแดนชายแดนของพระองค์พระองค์ก็ทํารอยขีดไว้ด้วยไม้พระธนกรตรัสว่าอย่าพึงข้ามรอยขีดนี้นะถ้าหากว่าใครข้ามรอยขีดนี้ก็ชื่อว่าไม่เคารพ มหาชนก็นอนบนพื้นดินเอาศีรษะจรดที่รอยขีดแล้วก็ข้ามครวนทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าบัตรนี้พระราชาทรงวางพระราชาอายาแก่พระองค์พระราชาจากทรงจะทําอย่างไรแล้วก็ให้พระกุมาร น, นั้นน่ะเสด็จข้ามรอยขีดไปไม่รู้ใครกล้านะเอาเด็กนําหน้าก็แล้วกันพระกุมารก็ร้องว่าเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็อวิ่งไปจนตามทันพระราชาลูกน้อยนะ ปราชาก็คิดว่าเราปกครองมหาชนนั่นสเสวยราชสมบัติบัตรนี้เราไม่อาจเพื่อจะปกครองเด็กคนเดียวหรือไรเนี่ยนะปกครองบ้านเมืองแผ่นดินใหญ่โตยังทําได้แต่เด็กคนเดียวทําไมจะปกครองไม่ได้ก็เลยพาพระกุมารเสด็จเข้าป่าพาลูกบวช ด, ด้วยก็ได้ตรงนั้นเรียกว่าพระพ่อลูกอ่อนนัะนนะลูกไม่น้อยสมัยนี้เขาก็มีนะพระบางองค์เนี่ยไม่รู้วทะเลาะกับครอบครัวยังไงมาไม่ทราบเขามาบวชมีลูก น, น, น้อยองค์หนึ่งไว้ไหน ไปไหนก็มีรพระพ่อลูกอ่อนเนี่ยถือว่าพาลูกลูกลน้อยเลี้ยงลูกด้วยนะบวชด้วยเลี้ยงลูกด้วยสมัยนี้ก็มีไม่รู้สึกไปยัง